เพิ่งพากันตั้งใจสมควรแล้วที่เราจะตั้งใจทุกคนเราไม่ตั้งใจในเวลานี้ก็ไม่เศร้าจะไปตั้งใจในเวลาไหนอะความตั้งใจนี่นับประสำคัญมาก ใจของคนเรานี่ส่วนมากมันบอกมันไม่ค่อยตั้งมันมีแต่ล้มแบะไปตามอำนาจของกิเลสเรืงนั้นเราจึงต้องมาหัดตั้งใจกันไม่ให้มันล้มไปตามอำนาจของกิเลสแต่บางคนก็ไม่รู้ เรื่องกิเลสของตัวเองกิเลสมันรบ ก, กวนจิตใจอยู่ก็ไม่รู้สำคัญว่าตนดีอยู่อย่างนี้นะนี่นะว่าเป็นปัญหาสำคัญมากเพราะนั้นทุกคนต้องให้น้อมสติเข้ามาสู่กายสู่ใจอันนี้ แล้วมากลัวดูกิเลสภายในหัวใจอันนี้มันมีอะไรกิเลสชนิดไหนมันหมกผมมอยู่ในใจเนี่ยราคะหรือหรือว่าโทสะหรือโมหะอย่างใดอย่างหนึง่ง อันโมหานี่แน่นอนนะต้องประจำอยู่งั้นนะถ้ายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลตราบใดแล้วก็โมหานี่จะไม่หายไปจากกิจนี้เลยแต่โทสะนี่มันระงับไปแต่อนาคามีมาก ส่วนราคะนี่มันก็มีหลายขั้นตอนมันลังเลไปกับอรหัตตะผลบังเกิดนู่นเนื <c oughs> <c oughs> ่องนั้นทุกคนก็ควรพากันตั้งใจให้มันแน่วแน่ ฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้กล้าหาญเพื่อที่จะสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ใช่นั้นแล้วเราก็จะสู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เพราะใจไม่ตั้งนี่แหละ มันจึงได้วันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นคนเรานะผู้ยึดถือกิเลสอันใดไว้ในใจแล้วมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่รู้ว่าตนพูดผิดทมผิด อะไรลงไปอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ตัวข้อนี้สำคัญนะเพราะว่าใครๆก็ไม่สามารถจะตามไปควบคุมตัวเองอยู่ได้ตลอดเวลาทุกคนนะต้องควบคุมตัวเองต้องวินิจฉัยตัวเองให้มันออก เมื่อรู้ว่ากิเลสชนิดเนี้ยยังเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจยังปั่นจิตตัวเองนี้ให้ใช้กายทำใช่วาจาพูดที่ไม่ตรงต่อศีลต่อธรรมต่อวินัยมีอยู่ <c oughs> เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามเนี่ย พยายามลา ก, กิเลสอันนั้นโดยเฉพาะเลย mm. เอาสติเอาใจจดจ่อระมัดระวังไม่ให้กิเลสชนิดนั้นมันเกิดขึ้นในใจหือไม่ให้ใจนั้นนะปรุงแต่งกิเลสอันนั้นขึ้นมาไม่ใช่กิเลสมันเกิดเองนะใจต่างหากนะปรุงแต่งมันขึ้น น, ะนั่น บุคคลควบคุมจิตนี้ไม่ได้แล้วจิตไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็ปรุงแต่งกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นตามลักษณะของอารมณ์นะั่นนะถ้าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดราคะมากระทบเข้าอย่างนี้นะ มันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ปรุงขึ้นแบบ น, นี้มันก็คิดเรื่องความรักความใคร่ขึ้นมาพอคิดขึ้นมาแล้วก็เอาละเดือดร้อนแบบ น, นี้อเหมือนคล้ายๆกับทํานองว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินนั่นแหละมันก็เดือดร้อนไนงะ เพราะว่ามันคิดรักขึ้นมาอันจะไปแสวงหาความรักตามต้องการอย่างนี้มันก็มีวิัยเป็นเครื่องบังคับไว้อยู่สำหรับนักบวชอันนี้สำหรับคฤหัสถ์แล้วมันก็เรียกว่าประพฤติไปตามอำนาจแห่งความรักอันเป็นโทษ เช่นไปทำชู้กับเมียของคนอื่นกับหัวคนอื่นอย่างนี้นั่นเรียกว่าปล่อยให้ราคะมันท่วมท้นจิตใจเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ขาดความพอดีในความรักความใคร่อันนั้น อันนี้นะภามีอยู่ด่าดื่นในโลกนี้นะฉะนั้นควรพากันรู้ตัวนะว่าตอนนั้นถูกกิเลสเหล่านี้นะ่ะคุกคามชีวิตจิตใจมานี่นับชาติไม่ท่วนแล้วผาไปตกนรกหมกไม่อยู่ในอบายภูมิก็เพราะกิเลสเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นไกลอะไร นี่ควรตื่นตัวและควรกลัวต่ออำนาจของกิเลสเหล่านี้ไวแต่เมื่อเวลามันยังไม่เกิดก็อยา่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่เกิดถ้าตนเผลอเมื่อใดแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นผู้ใดมีจริตอะไรกิเลสอะไรติดตามจริตติด้ามาอืมนั่น ถึงเวลามันนิ่งนอนอยู่มันก็นอนอยู่มันก็ยังไม่กำเริบขึ้นต่อเมื่อมันได้ปัจจัยภายนอกมาสมทบเข้าแลว้ววะ น, นี้มันจะลุกขึ้นมาแล้วมันยังอยมันได้เชื่อนั่นแนหะมันก็ลุกโพองขึ้นอย่างนั้นนะนี่สำหรับผู้ที่ขาดความเพียรขาดความสำรวมระวัง จิตของตัวเองเอี่ยงนี่มันก็ทําให้จิตนี่เผลอละปรุงแต่งกิเลสอย่างนั้นขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนเผาตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังไปปล่อยไปเผาคนอื่นเข้าให้เดือดร้อนไปตามกันอีกอย่านี้ลองคิดดูให้ดีอ่าผู้ที่ เป็นโทสะจริตมีความโกรธติดตามมาแต่อเนกชาติสู้ชาติได้เกิดขึ้นมาก็มาตกเป็นทาตแห่งความโกรธไปนรกอบายภูมิก็เพราะความโกรธอย่างนี้ควรตื่นตัวกันผู้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นคนชอบโกรธง่ายชอบอิจฉาลิสยาผู้อื่นอย่างนี้นะ เมื่อไม่พอใจใครมาแล้วก็หาทางอิจฉารบ ก, กวนผู้อื่นให้ไม่ให้ได้รับความสงบสุขได้มมนี่มันล้วนแต่เป็นโทษทางนั้นเลยมันต้องรู้ตัวทุกคนเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนมี กิเลสชนิดนี้ประจำใจหรือว่าเป็นเป็นกิเลสที่เป็นกิเลสที่มีอิทธิพลกลัวกิเลสอย่างอื่นอย่างนี้มันต้องคอยระวังเลยว่านี่คอยระวังจิตนี่เสมอมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ชอบใจอะไรภายนอกมันกระทบกระทั่งมา เราควรรีบห้ามจิตทันทีเลยอย่าให้มันยินร้ายไปตามอารมณ์ที่กระทบมานั้นเช่นนี้ความโกรธอันนั้นมันก็จะไม่ลุกลามขึ้นเพราะว่าเขาเรียกว่าตัดไฟในต้นลมก่อนที่ลมมันจะ ก็คือเอาไฟไฟไหม้บ้านไหม้เรือนนะเราก็ตัดไปซะก่อนถ้ามีหญ้าแห้งมีอะไรอยู่กรอบรอบบ้านเรือนก็ถางกอดชำละออกไปให้มันห่างไกลอย่างนี้แหละเมื่อไฟมันไหม้หญ้าไหม้ใบแห้งอะไรมามาถึงตรงนั้นแล้วมันกระดับลงมันไม่มีเชือ้อ ถ้าว่าปล่อยให้หญ้าแห้งใบไม้แห้งอะไรขึ้นล้อมรอบบ้านเรือนอยู่นี่ไฟไหม้มามันก็ลุกโหมเข้าใส่บ้านเรือ น, น, นเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราถ้าว่าไม่หาทางป้องกันตัวไวล่่งหน้าก่อนแล้ว มันไม่ไหวจริงๆอ่ะเมื่อเวลามีเหตุอันชั่วร้ายกระทบกระทั่งมามันก็โกรธขึ้นมาเลยโกรธขึ้นมาแล้วก็ห้ามตัวเองก็ไม่ได้เพราะไม่เคยห้ามโกรธมาทีไรก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปเลยอย่างนี้นะมันก็สกัดกั้นจิตใจตัวเองไม่อยู่แล้ววันนี้เพราะมันเคยนี่ ดังนั้นผู้ใดรู้ตัวอย่างว่าว่าตนยังบกพร่องอยู่ในเรื่องนี้การปฏิบัติธรรมการเพียรพยายามลากกิเลสอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเกาไม่ถูกที่คันนะไปสํารวมแต่เรื่องอื่นนู่นอย่างนี้มันเรื่องที่กิเลสที่มันมีอิทธิพล มากกง่โม่อยู่เนี่ยไม่สมรวมไม่ระวังเช่นนี้นี่กิเลสนี่มันก็ไม่เบาบางได้สักทีเลยมันเกาะหนานแน่นขึ้นไปเรื่อยแหละเมื่อมันได้เชื่อเมื่อใดแล้วมันก็เหมือนไฟมันได้เชื่อแล้วมันก็ลุกโคลงยิ่งโกรกเก่าเลยดังนั้นทุกคนต้องให้ พยายามสัมรวมจิตของตนให้มันแน่วแน่ไว้ระวังแต่เรื่องชั่วร้ายมันทีมากระทบกระทั่งตนจะทําให้จิตใจของตนวันไวไปตามเรื่องชั่วร้ายต่างๆหมูนั้นนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงระมัดระวังตนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เช่ ไม่เช่นนั้นเราเก็ละกิเลตไม่ได้เลยจะเกิดมากี่ชาติกี่ภพก็ละกิเลตความชั่วร้ายอันนี้ไม่ได้ mm hmm. เมื่อละกิเลตไม่ได้ก็ก็ได้ประสบกับความทุกข์อยู่อย่างนั้นล่าไป mm hmm. มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ตัวเองอย่าไปทำทุกข์ให้แก่คนอื่นเข้าไปอีก <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นดั <c oughs> งนั้นทุกคนต้องให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมก็เพื่อากาจัดกิเลสมีหัวใจนี่ออกไปจุดมุ่งหมายไม่ใช่อย่างอื่นใดแต่เมื่อบุคคลไม่ไม่เห็นโทษของกิเลสที่หมักหมมอยู่ในใจของตัวเองนั่นแล้วมันก็ละมันไม่ได้ เป็นอย่งนั้นดังนั้นการบำเพ็ญเพียรทางคิตใจนี่มันยังมีขั้นตอนนั่นแหละขั้นตอนมันก็เริ่มต้นตั้งแต่สำรวมในศินในวินัยนี่ไปเมื่อสำรวมในศินในวินัยได้เสนี ก, กิเลสอันส่วนย่ำยาวนันก็เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ อันนี้ไม่ถึงกว่าได้ทำสมาธิให้ละเอียดแล้วออเท่าไร่ดอกมีสติคอยระมัดระวังสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจของตอนนึกว่าจะไม่เผลอจะไม่ให้ร่วงเสีข้าวบทวิในตั้งสติสํารวมใจไว้อย่างนี้นะจะไม่ให้ร่วงเลอยน <c oughs> เมื่อเมื่อตั้งสติตั้งใจว่าอย่างนี้นยะมันก็ระมัดระวังและบางทีนะแต่ก็อย่างว่าเนะีบางคนนะ่ันแทบไม่สนใจทางศีลทางวินยัยซําอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆนี่เมื่อเป็นเช่นนี้นะจนรู้อำนาจตอกฤฤฤฤฤฤฤฤิเลสบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นเหตุให้ร่วงวินยัย ก็ไม่รู้ตัวเลยถ้าคล้ายๆกับว่าตนไม่ได้ล่วงนะเพราะไม่รู้ว่ามันผิดวินัยเนื่องจากว่าไม่ได้พิจารณาในเรื่องวินัยไม่ดูตำรับตำราให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่างนี้นะแล้วถ้าผู้อื่นตักเตือนก็ไม่ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนผู้อื่นตักเตือนเข้าไม่พอใจ ไม่ยอมปฏิบัติตามเช่นนี้แล้วกิเลสอย่างนั้นมันก็ไม่เหงื่อแห้งไปจา ก, ก จ, จิตใจแล้วมีแต่มันจะหนาแน่นขึ้นไป <c oughs> ถ้าว่าผู้ใดพี่นาเห็นจริตนิสัยของตัวเองว่าเป็นคนชอบโมโหโทโซอย่างนี้น้วก็ ก็จะได้เจริญเมตตากรุณานั้นให้มากๆเนี่เพราะว่าคุณธรรมเครื่องระงรับกิเรดเหล่านี้นะคือโทสะนี่มันก็ได้แก่เมตตาธรรมกรุณาธรรมนั่นเนะบื้องขั้นที่สองนะบ้าบนี้นะขั้นต้นก็ได้แก่สำรวมในสี่โดยนึกว่าถ้าตนรู้อำนาจแก่ความกโกรธเนี่ย จะต้องแสดงกิริยากายวาจาอยาบโลนออกไปมันก็ผิดที่ไหนล่ะเช่นด่าภิกษุเป็นอาบัติปาจิตตีอย่างนี้นะด่าสามเณรเป็นอาบัตทุกกอดนี่วาจาอันนี้นะถ้าทางกายแล้วไปตบไปตีภิกษุเหมือนกันเป็นอาบัตปาจิตตีถ้าไปตบตีสามเณรหรือว่าคืองหัดอย่างนี้เป็นอาบัติทุกกอ นี่นะตบตีไม่ถึงกับว่าเลือดตกยางออกนะถ้าไปตบตีไปถึงเลือดตกยางออกวนะันั้นผิดกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปอีกถ้าเขาเอาเรื่องก็ติดตารางมันไปอย่างนั้นนะ อ, นอันวินัยนี่นะต้องดูให้ดีผู้เป็นพระภิกษุสามาเณนรนะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้เมื่อตอน ป่าธนาดีต่อพราษาธนานี่เห็นว่าพระวินยัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นหาตนเคารพปฏิบัติตามแล้วนี่จะทำให้กิเลสยำหยาบเหล่านี้มันเบาบางลงไปเจี๋ยงแต่าน้ากตนก็เห็นโทษของกิเลสอย่างว่านี้มันก็สํารวมในวินัยเข้าไปมีสติระมัดระวังเสมอนี่มันก็ทำให้ความโกรธมันเบาบางลง ในขั้นหนึ่งแล้ววันนี้ขั้นที่สองก็เจริญเมตตาทุกวันทุกคืนไปนึกถึงอกเขานึกถึงอกเราเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนมากระทบกระทั่งให้เจ็บ อ, อกเจ็บใจฉันใดบุคคลอื่นก็ไม่ปรารถนาให้ผู้ผู้ใดมาเบียดเบียนเขา มากระทบกระทั่งให้เจ็บกายเจ็บใจเหมือนกับเรานี่แหละอย่างนี้ถ้ามันนึกมันคิดมันพิจารณาอย่างนี้เสมอเสมอแล้วมันก็จะระวังตัวแล้ววันนี้นะแล้วกอาอธิษฐานในใจเสมอว่าก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราแม้เราก็ขออย่าได้ไปเบียดเบียน บุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอด้วยใจหมายว่าใจคิดพยาบาทอาขาดจองเวรไว้ด้วยวาจาก็กล่าววาจาเสียแพงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บ อ, อกเจ็บใจอย่างนี้นะด้วยกายอย่างนี้ก็ทุบตีผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดหรือประหัต ส, สารผู้อื่นให้ล้มให้ตาย ถึงขั้นอุกิจสุดท้ายนี่ก็อย่างนี้แหละการละบาปมันก็ต้องละไปแต่สินที่ต้องให้เข้าใจถ้าผู้ใดขาดการสำรวมในสินแล้วแน่นอนผู้นั้นต้องได้ทำบาปถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ เป็นนักบวชการบวชมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้ายังจะไปตกเป็นทาสของกิเลสดัดงกล่าวมานี่อยู่ก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรของการบวชนี่ศึกไปทำมาหาเรื่องชีพโดยตนเองเสียอย่างดีกว่า ยังนี้กว่าที่จะมาทำชั่วอยู่ในพุทศ า, าสานานี้มันต้องเตือนตนอย่างนั้น้าตนยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสหยาบๆเหล่ า, ลาลนี้ให้เบาบางลงไปได้อย่างนี้นะก็ไม่ควรที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพุทธศาสานานี้เพราะว่ามันมีโทษมาก ทำไมยังมีโทษมากโทษมากก็เพราะว่าเรามันหาเลี้ยงชีวิตกับผู้อื่นมีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นมีชีวิตเป็นอยู่กับทานที่เขาบริจาคให้เพราะนั้นถ้าว่านักบวชผู้ใดมาสะสสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจนี่เป็นโทษมากทีเดียวอันนี้อาาร ตอนเป็นคเรหัสนี่มันไปหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยถึงจะถู ก, กเกลยียดตัณหาความโลภความโกรธอะไรครอบงาจิตใจไปมันก็ยังชั่วกว่าเป็นนักบวชเพราะว่าหาเลี้ยงตนเองด้วยลำพังตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นชีวิตของนักบวชนี่จึงชื่อว่า มันเป็นชีวิตที่ละเอียดละออมีความเป็นอยู่อย่างสุคุมให้พากันเข้าใจมีความเป็นอยู่อย่างผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าเราเราอยู่อย่างไรเวลานี้นเราอยู่กับกิเลสหรือว่าอยู่กับธรรมะ นี่ต้องต้องรู้ตัวนะหาบุคคลลืมตัวแล้วอย่างนี้มันก็ความเป็นอยู่ก็โสมมแล้ววะเนี่ยจิตใจก็โสมมออคุณมัวแล้วความเป็นอยู่ภายนอกทางร่างกายก็มัวหมองตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้ทําความสะอาด กานจิตใจ ม, มันมัวหมองแล้วนะสก็ปกครกบุรุงลังไม่รู้จะเก็บจักงาอย่างนี้แล้วก็ต้องไปคอยให้ผู้อื่นนันตักเตืนเอนอ้านบางคนแบบผู้อื่นตักเตือนพันไม่พอใจออโกรธแล้วอย่างนี้มันจะเอาดีได้ยังไงอ่ะการประพฤติพรหมจรรย์ มันจะเจริญไปไม่ได้เลยเอาเป็นอย่างนั้นนะตอนนันให้ให้รู้ตัวทุกคนนะถ้าหวังความสุขความเจริญแก่ตนแล้วต้องปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจให้มันสะอาดเอออย่างนั้นมันสะอาดไม่ใช่เฉพาะแต่จะไปล้างน้ำขัดสบู่เท่านั้นนะไอ้ร่างกายอันนี้ เกี่ยวกความประพฤติทางกายทางวาจานี่สำคัญมากมันก็เหมือนกันแหละกับร่างกายภายนอกร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่อาบน้ำขัดถูสบู่บ่อยๆ อ, ยอยันนี้เงือไขไหลออกมาก็เกิดกังอยู่นี่ก็ะส่งกลิ่นเหม็นออกไปเหตุนั้นเนี่ย ก็จึงต้องได้ชำระอาบน้ำอยู่ทุกวันทุกวันนะอันนี้ฉันใจไอ้เกี่ยวกับความประพฤติแบบนี้นะทางกายอย่างนี้ก็ต้องมีสติระมัดระวังตลอดเวลาไปอนะความการกระทําอะไรลงไปนะต้องมีสัมปชัญญะระลึกพิจารณาก่อนที่จะทําอะไรลงไปว่ามันถูกต้องตามธรรมตามวิมนัยหรือไม่ หรือมันไม่ถูกอย่างนี้นะมันต้องระลึกซะก่อนเมื่อระลึกเห็นว่าการจะทําอย่างนี้ออกไปเนี่ยไม่ผิดต่อธรรมต่อวินยัยไม่ผิดศีลอย่างนี้ก็จึงค่อยทําลงไปนี่ไม่ว่าครือขัดไม่ว่านักบวชต้องต้องเหมือนกันนะอืสําหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ว่าเคฤหัสถ์ไปว่านักบวชมันก็ต้องเหมือนกันอย่างนี้แหละต้องปฏิบัติตนเหมือนกันต้องสำรวมตนแต่เป็นนักบวชที่มันสำรวมตนทีกว่าเคฤหัสถ์ก็ครองเลือนเรื่องมันนะเพราะมันเป็นอุดมประเภทเป็นเพศอันอุดมเรียก ว, ว่าผ้ากาสาวัทที่เราได้มาห่มอยู่นี่ เป็นมรดกของพระบรมศ า, ศาสดาตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทานให้ต้องต้องนึกเสมอเมื่อใครนึกได้อย่างว่านี้แล้วก็มันจะได้ตื่นตัวจะได้สำรวมระวังตนเรื่อยไปจะไม่ทำตนให้เป็นคนหลงคนเมา จะรู้ตัวอยู่เสมออะไรผิดอะไรถูกก็รู้กันเมื่อสำรวมตนอยู่เสมอแล้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อทินบริสุทธิ์ดีอย่างนี้นะการทำสมาธิมันก็ได้ทำใจให้สงบลงไปได้ดีเพราะว่ามันไม่มีบาปประรรมารบ ก, กวน มันไม่มีกิเลสยำยาวมนมารบกวนนะ น, นั่นเองเป็นถ้าว่าบุคคลไม่สำรวมในศีลแล้วโกรธใครมามันก็จะต้องถือมั่นไว้ในใจเพราะมันขาดการสำรวมนี่มันถึงได้โกรธเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถือมั่นความโกรธนันไว้ทีนี้มันนั่งภาวนา เอาอารมณ์แห่งความโกรธนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วนึกถึงคนนั้นเข้ามาแล้วกังเกียจแล้วก็ส่งเสริมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นไปจิตใจก็ฟุ้งไปเลยวะนี้ก็หาความสงบไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ่ะการเจริญเมตตาเสมอนี่มันก็ทำให้ใจสงบเป็นหนึ่งลงไปได้ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนั้นผู้ใดามากคุณได้โทสะพัญญาบาทเนี่ยต้องเจริญเมตตาเป็นสมถกรรมฐานประจำเลยมันมันเป็นการงับโทสะจริตอันเมตตากรุณานี่นะให้เข้าใจแม้เป็นเครือขัสก็เหมือนกันก็ต้องเจริญทำกรรมฐานอันเดียวกันนี่แหละ ความโกรธให้มันจีงเวบาบางลงไปได้บันี้ความหลงก็เหมือนกันนะความหลงมันก็จะระงับไปได้ก็เพราะเจริญอนาปานสติความหลงนี่ก็คือความไม่รู้จริงรู้ผิดไปจากความเป็นจริงก็เห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้นะหรือว่าเห็นความชั่วว่าเป็นความดีไปอย่างนี้ ก็ยกตัวอย่างเช่นคนราคะจริตการแสดงตนเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถนี่ว่าเป็นความดีอ่ะเนี่ยเรียกว่ามันหลงอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องดีนั่นมันจะทำให้บุคคลผู้นั้นกำลังที่จะทำบาปเลยแบบนี้ถ้าระงับความรักความใคร่อันนั้นไปก็ไปทำบาปเพราะความรักอันนั้น เนื่องจากมันหลงนั่นเอยมันไม่รู้ว่าความรักไม่คือยาพิษเคลือบน้ำตาลนะบุคคลใดหลงสำคัญว่ายานั่นเป็นยาเป็นยาบริสุทธิ์แก้โรคภัยเมื่อรับประทานเข้าไปมันยาพิษนั่นมันละลายออกแล้วมันก็เอาแล้วได้รับทุกขวเวทนาถึงล่ม